เรื่องพระผู้มีพระภาคทรงแนะนำให้ภิกษุแสดงอาบัติ454ครั้นพระผู้มีพระภาคตรัสเรื่องนั้นแก่ภิกษุผู้ลงอุเขปนิยกรรมแล้วสเสด็จลุกจากอาสน ะ, สะเสด็จเข้าไปหาพวกภิกษุผู้ประพฤตตามภิกษุผู้ถูกลงอุเขปนิยกรรมประทับบนพุทธาอากที่ปูไว้แล้วได้ตรัสกับพวกภิกษุ ผูประพฤติตามภิกษุผู้ถูกลงอุกเขปนิยกรรมดังนี้ว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอต้องอาบัติแล้วอย่าคิดว่าพวกเราหาได้ต้องอาบัติไม่พวกเราหาได้ต้องอาบัติไม่าาไออไมสําคัญว่าอาบัตไม่ต้องทําคืนภิกษุทั้งหลายก็ในกรณีที่ภิกษุต้องอาบัตแล้ว มีความเห็นในอาบัตนั้นว่าไม่เป็นอาบัตพวกภิกษุอื่นมีความเห็นในอาบัตนั้นว่าเป็นอาบัตถ้าภิกษุรูปนั้นรู้จักภิกษุเหล่านั้นอย่างนี้ว่าท่านเหล่านี้แลเป็นพระหูสูตรละใฝ่การศึกษาคงจะไม่ลำเอียงเพราะความรักเพราะความชังเพราะความหลงเพราะความกลัว เพราะเราเป็นเหตุหรือเพราะภิกษุอื่นเป็นเหตุถ้าภิกษุเหล่านี้จะลงอุคเขปเนิยกรรมเราเพราะไม่เห็นอาบัตภิกษุเหล่านั้นจะทําอุโบสถร่วมกับเราไม่ได้ต้องทําอุโบสถแยกจากเราความบาดหมางความทะเลาะความขัดแยง้งความวิวาทความแตกแห่งสงความร้าวรานแห่งสง ความแบ่งแยกแห่งสงฆ์การทำสงฆ์ให้เป็นต่างๆกันซึ่งมีเรื่องนั้นเป็นเหตุจะมีแก่สงฆ์ภิกษุทั้งหลายพวกภิกษุผู้ระหนักในความแตกกันจึงไม่พึงลงอุกเขปนียกรรมแก่ภิกษุรูปนั้นเพราะไม่เห็นอาบัตภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้หนักในความแตกกันจึงพึงแสดงอาบัตนั้น แม้เพราะเชื่อผู้อื่นภิกษุทั้งหลายอนหนึ่งในกรณีที่ภิกษุผู้ต้องอาบัติแล้วมีความเห็นในอาบัตนั้นว่าไม่เป็นอาบัติพวกภิกษุอื่นมีความเห็นในอาบัตินั้นว่าเป็นอาบัตถ้าภิกษุรูปนั้นรู้จักภิกษุเหล่านั้นอย่างนี้ว่าท่านเหล่านี้แลเป็นพหูสูตรละ ไฟการศึกษาคงจะไม่ลําเอียงเพราะความชอบเพราะความชังเพราะความหลงเพราะความกลัวเพราะเราเป็นเหตุหรือเพราะภิกษุอื่นเป็นเหตุถ้าภิกษุเหล่านี้จะลงอุกเขปเนิยกรรมเราเพราะไม่เห็นอาบัตภิกษุเหล่านั้นจะปะวารณาร่วมกับเราไม่ได้ต้องปวารณาแยกจากเรา จะทำสังฆกรรมร่วมกับเราไม่ได้ต้องทำสังฆกรรมแยกจากเราจะนั่งร่วมบนอาสนะเดียวกับเราไม่ได้ต้องนั่งบนอาสนะแยกจากเราจะนั่งในที่ดื่มข้าวต้มร่วมกับเราไม่ได้ต้องนั่งแยกจากเราจะนั่งในโรงอาหารร่วมกับเราไม่ได้ต้องนั่งแยกจากเราจะอยู่ในที่มุงบางเดียวร่วมกับเราไม่ได้ ต้องอยู่แยกจากเราจะกราบไหว้ต้อนรับประนมมือทำสามีจิต ก, กรรมตามลำดับพรรษาร่วมกับเราไม่ได้ต้องทำแยกจากเราความบาดหมางความทะเลาะความขัดแยง้งความวิวาตความแตกแห่งสงความร้าวรานแห่งสงความแบ่งแยกแห่งสง การทำสง์ให้เป็นต่างๆกันซึ่งมีเรื่องนั้นเป็นเหตุจะมีแก่สงภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้หนักในความแตกกันจึงพึงแสดงอาบัตินั้นแม้เพราะเชื่อผู้อื่นครั้นพระผู้มีพระภาคตรัสเรื่องนั้นแก่พวกภิกษุผู้ประพฤตตามภิกษุผู้ถูกลงอุเเขปนิยกรรมแล้วเสด็จลุกจากอาสนะ แล้วเสด็จหลีกไป